พระสมาสมาธรมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติอบรมธรรมสมาธิสมาธิในธรรมจิตสมาธิสมาธิแห่งจิตเพื่อแก้ปัญหาอันเกิดขึ้นจากวาทะคือถ้อยคมต่างๆ ที่กล่าวขัดแย้งกันและก็ย่อมมีความหมายคลุมได้ถึงถ้อยคำที่ฟังตามกันมาที่นำสืบกันมาที่เป็นข่าวลือต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้รับฟังเกิดความสงสัยฟั่นเฟือหรือเกิดความเชื่อถือปฏิบัติหรือว่ารอยคล้อยตามไปตามถ้อยคำนั้นๆซึ่ง ตนเองก็ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ความจริงซึ่งทำให้ผู้รับฟังเกิดความสงสัยฟันเฟือหรือเกิดความเชื่อถือปฏิบัติหรือว่าพลอย ร้อยตามไปตามถ้อยคำนั้นๆซึ่งตนเองก็ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ความจริงจึงเป็นเรื่องที่ผิดได้ถูกได้แต่มักจะผิดมากถูกร้อยหรือไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้น จะปฏิบัติอย่างไรยึงจะเป็นการปฏิบัติไม่ผิดยึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมสมาธิและในกิตตสมาธิโดยธรรมสมาธินั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อก็คือสมาธิ ตั้งใจไว้ให้มั่นในธรรมอันหมายถึงความถูกต้องและอย่างไรตนจึงจะรู้เป็นความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมอันธรรมคือความถูกต้องนี้ไม่เป็นวิสัยที่บุคคลสามัญจะรู้ก็มี เป็นวิสัยที่บุคคลสา ม, มัญจะรู้ได้ก็มีที่ไม่เป็นวิสัยนั่นก็คือว่าเรื่องที่แม้บังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองที่ตนเองไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยตนเองตนเองก็ไม่อาจจะรู้ได้ นอกจากจะําฟังคําบอกเล่าจากผู้อื่นแต่ว่าผู้อื่นที่บอกเล่านั้นเล่าเขาก็อาจจะได้รู้ได้เห็นหรือเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแต่ว่าฟังตามๆกันมานําสืบสืบกันมาหรือเป็นข่าวลือก็เป็นอันว่า ทั้งคนที่พูดทั้งคนที่ฟังก็ต่างไม่รู้ด้วยกันมักจะเป็นเช่นนี้โดยมากก็เป็นอันว่าแม้เรื่องราวที่เป็นปัจจุบันนี้เองก็มีเป็นอันมากที่ตนเองไม่รู้เพราะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินคือไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ด้วยตัวเองโดยตรง ต้องฟังตามกันมาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นและก็ไม่มียานคือความอย่างรู้ที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองนี้เรื่องในปัจจุบันนี้เองยิ่งเป็นเรื่องในอดีตที่ลวงมาแล้วนานหรือในอนาคตข้างหน้า ซึ่งตนเองไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นในปัจจุบันนี้และก็ไม่มีญาณที่จะรู้อดีตรู้อนาคตก็เป็นอันว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความถูกต้องในเรื่องดังกล่าวนี้ทุกคนจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ แต่ว่าธรรมะคือความถูกต้องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้ที่ตัวเองนั้นก็คือตนเองนี่เองคือกิตใจของตนเองตําคือความประพฤติที่ประกอบกระทำของตนเองที่ประกอบกระทำอยู่ นี่สามารถรู้ได้เห็นได้ใจของตนจะคิดอย่างไรตนเองก็รู้การงานที่ตัวเองกระทาทางกายคือทําทางกายทางวาจาคือพูดตนเองก็รู้ใจที่คิดอ่านอย่างไรตัวเองก็รู้ เป็นไปอย่างไรตัวเองก็รู้นี่เป็นสิ่งที่รู้ได้เพราะฉะนั้นความประพฤติอันเกี่ยวเกับจิตใจและการประกอบพอธรรมของตัวเองทางกายทางวาจาใจนี้สามารถที่จะรู้ได้ว่าอย่างไรเป็นธรรมะคือความถูกต้องอย่างไรเป็นอธรรมคือความไม่ถูกต้อง โดยที่อาการเหล่านี้อยู่ที่ตัวเองไม่ต้องไปดูที่อื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สั่สอนเข้ามาในธรรมะที่ปฏิบัติได้ที่รู้เห็นได้ด้วยตัวเองคือให้มีความตั้งใจให้มั่นไว้ในธรรมอันได้แก่ธรรมะที่เป็น การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาทางใจให้มีใจตั้งมั่นอยู่ในอันที่จะทำดีพูดดีคิดดีและอย่างไรเป็นการทำดีพูดดีคิดดีพระพุทธยาณตรัสสอนเอาไว้อย่างชัดเจนดังจะพึงกล่าวซ้ำอีกว่า ไม่ฆ่าเขาไม่ลักของของเขาไม่พูดผิดในการมนี่เป็นความประพฤติดีทางกายไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพอ้อเจือเลีวไหลนี่เป็นความพฤติดีทางวาจาไม่หลบเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของเขาเป็นคงตน ไม่พยายามปองร้ายเขาและไม่เห็นผิดจากํานวงครองธรรมนี่เป็นความพิดีทางใจเพราะฉะนั้นจึงให้มีสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่ในอันที่จะประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจ ละความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจอันตรงกันครับดังนี้แหละคือตัวธรรมสมาธิเพราะคนเราจะมีความละชั่วประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวนี้ได้ก็จะต้องมีสมาธิคือความตั้งใจมัน่นตั้งใจมั่นว่าเราจะละชั่วเราจะทําดีเมื่อมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นดังนี้ จึงจะเกิดการละชั่วการทำดีได้ทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวและเมื่อได้ ร, รมสมาธิดังนี้ก็จะทำให้จิตใจนี้เองเกิดประโมทคือความบันเทิงเกิดปีติคือความอิ่มใจ เกิดปสัสสติคือความสงบกายสงบใจเกิดสุขและจิตก็จะเป็นสมาธิเป็นจิตสมาธิคือจิตเตสกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นจิตสมาธิดังนี้แหละเป็นการปฏิบัติต่อวาทะทั้งหลายที่กล่าวขัดแย้งกัน หรือว่าต่อถ้อยคำที่พูดฟังตา ม, ตามกันมานำสืบกันมาหรือเขาลือต่างๆเป็นการที่ปฏิบัติตนอันเรียกว่าอปันญกะปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดและการปฏิบัติไม่ผิดดังกล่าวมานี่ตัดไว้ด้วยว่าเป็นกระตักคาหะ กตตะก็คือกฎกฎเกณฑ์ขาขะาก็คือการถือเอาคือถือเอากฎเกณฑ์แห่งสัจจะคือความจริงแห่งธรรมดาเป็นกฎธรรมดาที่เป็นดังนี้และเมื่อมาปฏิบัติยึดกฎธรรมดาไว้ กฎแห่งความจริงไว้ดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติไม่ผิดแปลว่าไม่ปล่อยตัวไปตามวาทะต่างๆไม่ปล่อยตัวไปทาไปตามถ้อยคำที่พูดสืบๆกันมาต่างๆข่าวลือต่างๆแต่ว่ายึดกฎธรรมดากฎที่ไม่ผิด กันนี้ไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วจะมีวาทะของสมณะพรมมาเกล่าวขัดแย้งกันอย่างไรโดยรอบหรือจะมีเสียงที่พูดจาวังสือสืบกอมาอย่างไรจะมีข่าวลืออย่างไรก็ไม่ทำให้ตนเองต้องปฏิบัติผิดก็ตันองตนเองปฏิบัติยึดกฎธรรมดา กฎที่ไม่ผิดนี้อยู่เรียกว่ากตตาคากตะคือกฎคาหาก็คือยึดยึดกฎธรรมดากฎที่ไม่ผิดอันนี้ไว้สาหรับตัวเองจะพึงปฏิบัติว่าถ้าของอาจา ร, รย์ต่างๆจะว่าอย่างไรก็ตามถ้อยคำที่พูดกันมาต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ตามข่าวลือจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ไม่ทำให้ตัวเองล่องลอยไปตาม ได้แต่ตอตนเองนั้นยึดกฎธรรมดากฎที่ไม่ผิดนี้อยู่คือทมสมาธิตั้งใจมุ่งมั่นอยู่ในอันที่จะละชั่วทำดีของตัวเองและก็จะได้จิตสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เปน็นอันเดียวคือแน่วแน่ไม่วอกแวกไปตามวาทะต่างๆตาม ค่อยคำที่พูดฟังกันมาต่างๆข่าวลือต่างๆเพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ยึดกฎแห่งความจริงกฎที่ไม่ผิดกฎที่เป็นกฎธรรมดาที่ไม่ผิดไว้ดังนี้แล้วก็จะมีความสวัสดีแก่ตัวเองและความสมบดีแก่ผู้อื่น ในเมื่อได้แนะนาผู้อื่นให้ปฏิบัติยึดกฎที่ไม่ผิดดังนี้ไว้ด้วยและในพระพุทธโอวาทที่ตรัสสอนให้ยึดกฎที่ไม่ผิดไว้ดังนี้ก็จ้ตรัสสอนถึงธรรมะที่จะเป็นเครื่องรักษาจิตใจ ให้เป็นสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในทางที่จะละชั่วรรมดีไว้ด้วยสำหรับปฏิบัติก็คือพรหมวิหารธรรมที่แปลว่าธรรมะของพรหมมือที่พรหมประพฤติปฏิบัติซึ่งพรหมนี่รู้จักกันว่าเป็นชื่อของพระพรหม เป็นเทพชั้นสูงแต่ว่าในธรรมะที่ตรัสนนี้หมายถึงพรหมในจิตใจของทุกคนทุกคนอาจจะสร้างพระพรหมคนในจิตใจของตนเองได้แต่ก็เป็นจิตใจชั้นสูงเป็นจิตใจที่ประเสริฐก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตา การุณามุทิตาและโอเบคาจะได้แสดงยำเพาะข้อแรกก็คือเมตตาเมตตานั้นได้แก่ความมีจิตมุ่งดีปรารถนาดีอันเป็นความรักใคร ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญเมตตาคือภาวะของจิตที่เป็นดังนี้จึงมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับภาวะของจิตที่ประกอบด้วยโทสะพยาบาทบัต และที่ประกอบด้วยสิเนหาคือความรักอันอาศัยกามกล่าวสั้นเมตตาเป็นความรักสนิทที่บริสุทธิ์ส่วนสิเนหานั้นเป็นความรักที่อิงกามเมตตาเป็นความรักเพื่อความสุขของผู้อื่น คือภูที่ตนมีเมตตามีรักสิเนหาเป็นความรักเพื่อตนคือความรักที่จะได้สิ่งที่ตนรักมาเป็นของตนเพื่อให้ตนมีสุขเพราะฉะนั้นเมตตาคืนกับสเนหาจึงไม่ตรงกันแต่ว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เมตตานั้นก็ปรากฏเป็นความเห็นดีเห็นงามเป็นความงามสิเนหานั้นก็เป็นความเห็นดีเห็นงามเป็นความงามแต่ว่าเมตตานั้นเป็นความเห็นดีเห็นงามเป็นความงามที่ผู้อื่นเพื่อผู้อื่นส่วนสิเนหานั้นเพื่อตน งามเพื่อตนเมตตางามเพื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นท่าน จ, งจึงแสดงว่าสิเนหานั่นเป็นศัตรูที่ใกล้ต่อเมตตาเพราะมีลักษณะที่เป็นความงามด้วยกันเป็นความรักด้วยกันแต่มีลักษณะต่างกันดังกล่าวส่วนโทสะพยาบาทนั่น มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับเมตตาท่านแสดงว่าเป็นศัตรูที่ห่างไกลของเมตตาเพราะมีลักษณะตรงกันข้ามเมื่อโทสะพยาบาดเข้ามาสู่จิตก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโทสะพยาบาดไม่ใช่เมตตาแต่เมื่อศีลหาเข้ามาสู่จิตอาจจะรู้ช้า หรือยังไม่รู้ในทีแรกยังสําคัญมาเป็นเมตตาแต่เมื่อมาพิจารณาดูลักษณะของเมตตากับสเนหาแล้วจึงจะรู้ได้ว่านี่เป็ น, น, เ, ปนเมตตานั่นเป็นสเนหาหรือนี่เป็นสเนหานั่นเป็นเมตตายูทเตเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ทุกคนรู้จักลักษณะของโทสะพยาบาท ให้รู้จักักษณะของเมตตาให้รู้จักัะษณะของศีลธรรมให้รู้จักที่ใจของตัวเองนี่เองไม่ใช่รู้จักที่อื่นและเมื่อกำหนดให้รู้จักลักษณะที่ต่างกันดังนี้แล้วอะไรบังเกิดขึ้นแก่จิตใจก็ย่อมจะรู้วัดได้วันนี้เป็น โสาพยาบาทนี่เป็นศินืหานี่เป็นเมตตาธรรมะที่เป็นพระโมิหวรนนั้นต้องเป็นความรักสนิทใจที่เป็นเมตตาเป็นความเห็นดีเห็นงามที่เป็นเมตตาและข้อที่ว่าเห็นดีเห็นงามที่เป็นเมตตานั้นยกตัวอย่างได้ง่าย เช่นว่าคนเกลียดจิงจบแต่เมื่อหัดแผ่เมตตาไปในจิงจบให้จิงจบมีความสุขก็จะหายเกลียดจิงจบเคยเห็นจิงจบว่าน่าเกลียดก็จะกลายเป็นงามไม่เห็นว่าน่าเกลียดจะเห็นว่างามเห็นว่าควรที่จะ สนุถนอมรักษาไม่บียดเบียนจิงจบโดยฉะนั้นเมตตาจึง ท, ทำให้เกิดความรู้สึกว่างามแม้ในสิ่งที่เคยเห็นว่าไม่งามจะทำให้เกิดเป็นความรักใคร่ปรารถนาดีแม้ในสิ่งที่เกลียดชังดังนี้ และในการหัดแผ่เมตตานั้นก็คือหัดแผ่ใจนี้ออกไปในบุคคลและแม้ในสัตว์ดิริฉานแม้ในสัตว์ที่ตกอบายแม้ในเทพในพรหม และมีลักษณะที่จะพึงปฏิบัติได้ที่ตัดสอนไว้ว่าให้แผ่ไปโดยเจาะจงและแผ่ไปโดยไม่เจาะจงแผ่ไปโดยเจาะจงนั้นเช่นในบุคคลที่เป็นที่รักเคารพในผู้นั้นผู้นี้หรือแม้ในบุคคลที่เป็นกลาง หรือแม้ในบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่เป็นศัตรูกันและท่านได้ยกเอาบทตั้งสำหรับกำหนดแพ่โดยเจาะจงไว้ว่าส บ, บาอิทธิโยสตรีทั้งปวงสเบปุริซาบุรุษทั้งปวงสเบอริยา อริยบุคคลทั้งปวงสบเบออริยาโฮที่เป็นบุตุชนไม่ใช่อริยะทั้งปวงสบเบเดวาเทพทั้งปวงสบเบมนุษยา์ามนุษย์ทั้งปวงสบเบวินิปาติกาสัตว์ที่ ตกตำ่ำหรือที่ตกอบายทั้งปวงส่วนโดยไม่เจาะจงนั้นท่านแสดงบทสำหรับแพ่ไว้ว่าสเบสัตตาสัตทั้งปวงสเบปานาสัตมีปราณมีลมไม่ใจมีชีวิตทั้งปวง สบเบผูตาสัตว์ที่เป็นแล้วทั้งปวงคือถือภพถือชาติทั้งปวงสบเปรุกาลาบุคคลทั้งปวงสบเบอัตภาวะปริยาปัญนาสัตว์ที่นับเนื่องอยู่ด้วยอัตภาพอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งปวงและ บทสำหรับที่จะพิจารณากำหนดจิตแผ่เมตตาไปนั้นก็คอือเวราห้นตุจงยามีภัยมีเวรต่อกันอัปยาปัชาห้นตุจงยาเบียดเบียนกันและกันอันนีขาห้นตุจงยามีทุกข์กายทุกข์ใจ สุขขอัตตางปริหารตุจงมีสุขรักษาตนการแผ่จิตออกไปดังนี้จัดสอนให้แผ่ไปในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องล่าง ในทิศเมืองขวางโดยรอบตลอดโลกทั้งสิ้นโดยความเป็นมหัตตาในที่ทั้งปวงคําว่าโดยความเป็นมหัตตานั้นแปลได้ว่าโดยความเป็นทั้งหมดคือแผ่ไปทั่วก็ได้โดยความเป็นอัตตาใหญ่ก็ได้ อัตตาใหญ่นั้นก็หมายความว่าให้ทุกๆสัตว์บุคคลที่แผ่เมตตาให้นี่กับตัวผู้แผ่เมตตาเองเหมือนอย่างรวมกันเข้าเป็นอัตราเดียวกันเมื่อแผ่ไปตลอดโลกไปตลอดโลกก็ให้เหมือนอย่างว่าทั้งโลก รวมทั้งตัวผู้แผ่เมตตาด้วยเป็นอัตตาเดียวกันทั้งหมดและเมื่อเป็นดังนี้ทุกคนที่มีอัตตาย่อยย่อยแต่ละคนนั้นต่างก็มีความรักสุขเกลียดทุกอยู่ด้วยกันแต่ว่าความรักสุขเกลียดทุกนี้ถ้าไม่แผ่เมตตาแล้ว ก็เป็นความรู้สึกที่คับแคบเฉพาะตัวเองเฉพาะผู้ที่ตัวรับแม้ในฐานะเป็นความรักที่เป็นสินเนหาก็ตม่มเช่นเฉพาะสามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนมิตรสหายบิดามารดาญาติพี่น้องซึ่ง ได้มีความรักที่เป็นตัวสินินหาประกอบอยู่เป็นพื้นก็มุ่งให้เป็นสุขมักจะคับแคบดังนี้แต่เมื่อหัดแผ่เมตตาออกไปแล้วจะทำให้ความรักที่เป็นความปรารถนาให้เป็นสุขไม่ให้เป็นทุกข์นี้ขยายกว้างออกไปจนถึงมีความรู้สึกเหมือนยังว่า ทุกทกสัตว์บุคคลที่ตนแผ่เมตตาไปนั้นก็ให้มีความสุขปราศจากทุกเช่นเดียวกันกับตนปรารถนาให้ตนมีสุขไม่ไม่มีทุกข์อย่างไรทุกทุกสัตว์บุคคลที่แผ่เมตตาไปนนั้นก็ให้มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างเป็นคนเดียวกันทั้งหมด ทั้งโลกก็เรียกว่าเป็นมหัตตาอัตตาใหญ่ที่มาเรียกทางสันลกฤตว่ามหัตรมะหรือมหาตามะตัวใหญ่อัตตาใหญ่แต่มุ่งถึงลักษณะของจิตดังที่กล่าวมานี่ไม่ได้มุ่งว่ายึดตัวยึดยึดถือดวตนอันเป็นอุปาทานมุ่งถึงภาวะของจิตที่เป็นเมตตาคือเป็นเมตตาใหญ่นั่นเอง ยังกว่าเป็นเมตตาครอบโลกการแผ่เมตตาดังกล่าวมานี่เมื่อหัดแผ่ไปโดยลำดับแล้วย่อมจะทำให้ภาวะของจิตนี้มีเมตตาดังกล่าวนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจประกอบอยู่ในจิตใจเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์จะมีพลังที่ต้านทาน อารมณ์ที่มากระทบระทั่งต่างๆอันจะนำให้เกิดความระทบประทั่งความครึ่งเครียดความแคดเคียดแค้นเกิดโทสะพยาบาทได้และจะป้องกันสิเนหาอันเป็นความรักที่อาศัยกามได้จะทำให้เมตตานี้ดำรงอยู่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ และจะมีพลังที่เข้มแข็งขึ้นโดยลำดับทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการที่มาปฏิบัติอบรมเมตตาข้อนี้อิงโพธชงทั้งเจ็ดจิพพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ที่ตรัสสอนไว้ว่าให้อบรมสติ สัมโชพชฌงอันสัมประยุทธ์ด้วยเมตตาอบรมธรรมวิญญาสัมโพชฌงอันสัมประยุทธ์คือประกอบด้วยเมตตาอบรมวิญญาสัมโพชฌงอันสัมปรยุทธ์คือประกอบด้วยเมตตาอบรมปีติสัม โ, โพชฌงอนังอน Aid. สัมปยุทธ์คือประกอบด้วยเมตตาอบรมปัิติสัมโพชฌง อันซ้ำประโยชน์คือประกอบด้วยเมตตาอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันซ้ำประยุทธ์คือประกอบด้เมตตาอาศัยทางปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี้อบรมเมตตาเพราะว่าในเบื้องต้นนั้นจะต้องมีสติความระลึกได้คือจะต้องระลึกกําหนดถึงอารมณ์ของเมตตาคือสารบุคคล น, นั้นๆ ที่จะแผ่จิตองไปด้วยเมตตาและก็ต้องระลึกให้เป็นตัวเมตตาออกไปสู่สัตว์บุคคลนั้นๆเหล่านี้เป็นสติทางนั้นจะต้องมีสตินำและมาถึงท ร, รมวธญญยาสำโพสชงก็ต้องคอยมีตัวปัญญาที่เลือกเฟ้นธรมในจิตใจของตัวเอง ให้รู้จักว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจองตัวเองนี่นี่เป็นปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งเป็นโทสะพยายามนี่เป็นเมตตานี่เป็นสิเนหาลองเห็นรู้ว่าภาวะที่ผุดขึ้นในจิตปรากฏขึ้นในจิตนั้นอะไรเป็นอะไร และก็ต้องมีวิริญะคือเพียนคือเพียนละปฏิฆะความกระทบกระทั่งละโทสะพยายามบัดเพียนละสิเนหาเพียนอบรมรักษาไว้ซึ่งเมตตาให้คงตั้งอยู่ในจิตต้องมีวิญญะคือเพียนละและเพียนอบรมดังนี้อยู่สืบจาก ทำอภิยะสามโพชงต่อเนื่องกันเพราะว่าเมื่อวิจัยทมเลือกเฟ้นธรรมรู้ว่านี่เป็นปฏิฆะวางรุกรกระทั่งเป็นโทษสพยาบาติก็ต้องเพียนละรู้ว่าเป็นสิเนหาก็ต้องเพียนละรู้เป็นเมตตาก็รักษาไว้อบรมให้มีมากขึ้นเป็นไฟอบรม และเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ปีติคือความอิ่มใจเพราะการปฏิบัติละไฟอกุศลอบรมไฟอยกุศลให้มันเกิดขึ้นในจิตดังนี้เมตตาเป็นตัวกุศลโทสะพยาบาทสิเนหาเป็นตัวกุศลกุศลนี้เองก็ชำระจิตใจนี้เองให้บริสุทธิ์จิตใจที่บริสุทธิ์นั้นยองเป็นจิตใจที่ มีความสว่างไม่เศร้าหมองเมื่อมีความสว่างไม่เศร้าหมองจิตใจนี้เองก็ดูดดืม่มเมตตาเข้าไปได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและเมื่อดืมม่มเมตตาเข้าไปแล้วก็ปรากฏเป็นความอิ่มเอิบแจ่มใสเหมือนอย่างบุคคลที่ดื่มน้ําที่บริสุทธิ์ มีความระหายดื่มน้ำพิบริสุทธิ์ก็ย่อมมีความอิ่มเอิบเพราะว่าลักษณะของอกุศลคือโทสะปยาบาัติหรือสเสนหานั้นทำจิตใจให้หิวระหายฉะนั้นเมื่อดื่มเมตตาเข้าไปดับความหิวระหายดับเหตุให้เกิดความหิวระหายคือโทสะปยาบาัติ สิเดียจึงเกิดความอิ่มเอิบ ม, มีร่างกายก็อิ่มเอิบจิตใจก็อิ่มเอิบลรวดื่มไม่ตาเข้าไปก็เป็นปิติและเมื่อได้ปิติแล้วก็ย่อมได้ปัตสัทคือความสงบกายสงบใจสุขกายสุขใจก็ได้สมาธิเป็นจวติิเป็นตัว จิตสมาธิสำหรับในในการปฏิบัติเบื้องต้นขึ้นมานั่นคือสติธรรมวิยะวิริยะปิติปสัสสธิเป็นธรรมสมาธิสมาธิในธรรมและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้อุเบกขาคือความที่จิตสงบแน่วอยู่เพ่งอยู่ในภายในอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ ะจิตนี้ก็ไม่ออกไปวุ่นวายสงบนิ่งอยู่รู้อยู่ในภายในรู้สงบอยู่ในภายในละความยินดีละความยินร้ายสัดจากรามสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นอุเบกขาที่รู้อยู่กำหนดอยู่ในสมาธินั่นเองเป็นอุเบกขาสัมโพชงเพราะฉะนั้น แนวปฏิบัติอบรมเมตตานี้ก็ต้องอาศัยแนวปฏิบัติในโพชฌงทั้งเจ็ดดังแสดงมานี่เป็นข้อที่หรวพุทธยาดทรงสั่งสอนไว้เอกให้อาศัยปฏิบัติโพชฌงนี้ในการที่อบรมเมตตาต่อไปนี้ก็ขอได้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป